วันนี้อย่ามาเที่ยวอยู่แถวนี้นานนะใครอยู่กรุงเทพก็รีบๆกลับไป <c oughs> เดี๋ยวจะบนที่หลังรถ <c oughs> ติดถ้าใช้มอเตอร์เบรเข้ากรุงเทพนะหลวงพ่อชอบไปทางนี้ออกไปที่มาร์ฟงไปที่แหลมฉบังไปข้ามอเตอร์เบรที่แหลมฉบัง วิ่งลาะภูเขาไปลเลาบ่อน้ําเลาะหนองขอบางคนชอบไปเข้าบ้านบึงเราไปเข้าเข้ามาทาวที่ชนบุรีเส้นนั้นหลวงพ่อมค่อยชอบอะรถบรรทุกเยอะเส้นนี้เป็นธรรมชาติแต่ใช้เวลามากกว่าเส้นบ้านบึงห้านาทีแต่สบายกว่ากันเยอะย ขับรถด้วยความรีแลกซ์ไม่ได้ขับเองนะหมายถึงอันนี้นสัมภาษณ์คนที่เขาขับให้พาเขาไปทดสอบทั้งสองเส้นถ้าเส้นไปมากเอียงเนี่ยออกจากวัดเราก็ผ่านร้านป้าน้อยที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญลานป้าน้อยผ่านหมู่บ้านแล้วก็ตรงไปเลยไม่เลี้ยกกวขวาเลี้ยกกวขวามันจะเพลน เ, เกษตรกรรมทานเรือไปออกแม่กินมบวยอย่าไปเลี้ยวตรงเลยแล้วก็เปิด Google map ไว้ให้มันบรรยายไปถนนงดงามนะนะรอบอ่างเก็บน้ำจะไปยุ่งยากตอนจะเข้าเส้นสามสามหนึ่งถ้าขับไม่เป็นอาจจะเลี้ยวไปที่อื่นเลย ด, ดูให้ดีก็แล้วกันวิ่งไปนะถนนมันจะคดนิดหนึง่งแต่ว่าไม่มีรถนะสบายอาการดีทิวทัศน์สวยพอไปเจอวงเวียนอันแรกนะอย่าไปเข้าวงเวียนเลี้ยวซ้ายลอดใต้สะพานไปแล้วมจะเจอไปไปแหลมฉบังนะ ไปขึ้นเข้าที่แหลมฉบังสบายสบายภาวนามไม่ใช่เรื่องยากอะไรใส่ใจสนใจซะหน่อยที่ไม่สนใจเพราะว่าประมาท ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตเราข้างหน้าออกจากวัาเราจะไปตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้สักอย่างแต่เราก็นิ่งนอนใจยังไม่ยอมภาวนาบางทีบางคนเจ็บหนักแล้วยา่าจะมาบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยญาติของเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้ว อยากได้ฟังธรรมะเราอยากจะบอกว่าไปฟังภาะสิยานเดี๋ยวไปมาฟังอะไรตอนนี้คล้ายๆมาถามหาตำลาว้าน้ำตอนที่เรือล่มแล้วมันไม่ทันนะเงืนไม่ประมาทหัดภาวนาซะแต่ยังแข็งแรงอยู่ยังมีแรงบางคนก็อบอกรอให้แก่ก่อนเราจะภาวนาไม่ทัน บางคนไม่ทันได้แก่ก็ตายก่อนเพรางั้นชีวิตประมาณไม่ได้หรอกเราเลือกชีวิตของเราเองนะหลวงพ่อก็บอกทางให้ว่าอยากพโลกอยากพ้นทุกข์รักษาสี่ห้าไว้ทุกวันฝึกจิตฝึกใจในรูปแบบทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทั น, อ, น, ทนอย่าไปบังคับจิต เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจําวันนี้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะให้ตาหูจมูกลิ้นแก่ใจทํางานไปตามธรรมชาติพอมันทํางานแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นในใจรู้ทันหรือจิตเคลื่อนไปรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนก็เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจนั่นแหละเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรส เคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจเนี่ยจิตก็เคลื่อนอยู่หกช่องถ้าเราสติเร็วเราเห็นจิตเคลื่อนนะก็สบายจบลงตรงนั้นเลยการปฏิบัติสบายถ้าสติเราช้าสมาธิเราไม่พอจิตเคลื่อนเราไม่เห็นมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมานะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเรารู้ทันว่า ม, มีสุขมีทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วรู้ทัน ก็ใช้ได้ช้าหน่อยแต่ก็ใช้ได้มันไม่สบายเท่าที่จิตเคลื่อนเรารู้หรอกเพราะอะไรเพราะตรงที่เกิดสุขเกิดทุกเนี่ยมันเป็นเครื่องเสียดแทงใจเราความสุขก็เสียดแทงใจนะไม่ใช่ความสุขเป็นเครื่องฉโลมใจไม่ใช่มันทำให้ใจกระเพื่อมวันไว้นี้เรายังไม่สามารถเห็นได้ตอนที่จิตเคลื่อนือจิตมีโมหะไม่เห็น มันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาในใจรู้ตรงนี้ได้ก็ยังดีถ้ารู้ไม่ทันมันจะเกิดอยากขึ้นมาเวลามีความสุขมันก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆพอความสุขหายไปก็อยากให้ความสุขกลับมาพอมีความทุกข์ก็อยากให้ความทุกข์หายไปรู้ทันใจที่อยากก็ยังดีใจอยากแล้วใจก็จะดิ้นไป มีกิเลสนานาชนิดนะกิเลสเนี่ยมันจะแทรกตัวตามเวทนามา อ, อย่างเวลาเรามีความสุขเนะี่ยราคะมักจะแทรกเข้ามาเวลาเรามีความทุกข์โทสะมักจะแทรกเข้ามาเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์นะโมหาก็เอาไปกินอีกลืมตัวเองเพลินๆไปสังเกตไหมเวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เพลินๆไปโมหาก็ไปกินเนีย่ยถ้าเรามีสติว่องไวนะ จิตเคลื่อนแล้วรู้อันนี้ไวที่สุดเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทันปุ๊บการปฏิบัติเสร็จแล้วก็จะเห็นจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิต ท, ที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้กรักษาไม่ได้จิต ท, ที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ไดเ้เดินปัญญาละหรือเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะ่ะจิตก็หยุดการเคลื่อนได้สมาธิได้สมาธิไ ด, าธได้ปัญญา จิเคล่อนแลไม่เห็นก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทันไปตรงนี้ก็รู้ได้ถ้ารู้ตรงนี้เรียกว่าเวทนาทุกภัศนาสติปัฏฐานถ้าสุขทุกข์ไม่เห็นยยกิเลสจะแทรกราคะโทสะโมหะจะแทรกเข้ามาอีกอันนี้ถ้ารู้ตรงนี้ก็เรียกว่าเจริญจิตตานุภัสสนาสติปัฏฐานดูไปเรื่อยๆ ถ้าลงกิเลสแทรกแล้วใจเกิดความอยากขึ้นมาแล้วสายไปแล้วยังไงก็ต้องทุกข์ละช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ทันแล้ต้องทุกข์แล้วแต่ถ้าเวทนาเกิดแล้วรู้ทันปุ๊บดับเลยปฏิจจสมบัตขาดละเกยได้ยินไหมผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา ผัสสะคือการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาใจเนี่ถ้าเรามีสติตั้งแต่ผัสสะนะกระบวนการของปฏิจจสมบัตก็จบลงตรงนั้นเลยถ้าตรงผัสสะเราดูไม่ทันมันเกิดเวทนาขึ้นมาโดยเฉพาะเวทนาทางใจเนี่ยเรามีสติรู้ทันตรงนี้เวทนาก็ดับผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแล้วตรงเวทนาเนี้ยกิเลสมันจะแทรกเรารู้ทันตรงนี้ กระบวนการระดับถ้ารู้ไม่ทันกิเลสตัณหาจะเกิดแล้วโทสะเกิดขึ้นก็เกิดวิภาวะตัณหาอยากให้สภาวะนี้หมดไปสิ้นไปถ้าราคาเกิดขึ้นก็อยากให้สภาวะที่พอใจน้อยู่นานๆอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาพอมันหายไปก็อยากให้มันกลับมาเป็นกรรมตัณหาตัณหาเกิด ถ้าตัณหาเกิดแล้วความทุกข์ต้องเกิดตัณหาเป็นตัวสมุทยัยผลของมันคือตัวทุกข์แต่ถ้าสติเราเร็วตัณหายังไม่ทันเกิดแล้วกระบวนการของจิตจบลงแล้วไม่ทุกข์แล้วเงี้นดูจิตที่เคลื่อนได้ดูไปเลยถ้าดูจิตที่เคลื่อนไม่ได้ดูความรู้สึกสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นดูสุขทุกข์ไม่ทันดูโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้น ดูเป็นชันช้นๆหลังจากนั้นสายไปแล้วต้องถูกยากไปไหมการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะหลวงปู่ดินบอกถ้าใครรู้สึกยากก็คือพวกขี้เกียจนะเรียนหนังสือยากไหมมันก็ยากทั้งนั้นนะเรียนกรรมฐานมันก็ยากอย่างกรรมฐานเรียนหนังสือมันก็ยากอย่างเรียนหนังสือแนละ ชีวิตอะไรมันจะสบายไปซะทุกอย่างยกเว้นอย่างเราเคยสอบผ่านมาแล้ววิชานีนะ้มาเรียนซ้ำ เ, เรียนง่ายมาเรียนล ง, ลงซ้ำาีกทีอยากรู้ให้ลึกซึง้งมาเรียนซ้ำวิชาเดิ ม, มเรียนได้เก่งก็มาทานก็เหมือนกันเรียนทีแรกมันก็ยากเหมือนกันนะเคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเคยทามาแต่ชาติก่อนนะชาตินี้ลงมือปฏิบตัติพวกเดียวก็ได้ผลแล้ว มันก็เร็วถ้าไม่เคยทำมาก่อนมันก็ยากเหมือนกันก็อดทนเอายากวันนี้วันหน้าสบายถ้ายากแล้วท้อใจวันหน้ามันก็ยากยิ่งกว่านี้อีกเพราะสันดานเราเร็วลงเรื่อยๆมันจะเร็วลงเรื่อยๆนะโดยธรรมชาติจิตมีธรรมชาติไหลลงตำ่ำอดทนตั้งแต่วันนี้แล้ววันข้างหน้าชีวิตจะดีขึ้นเทศโหดเยี่ยมไปไหมเนี่ย มีสันดงสันดานใช้คำอื่นนะมีนิสัยถาวอนมันไม่สักใจไม่สักใจมีนิสัยสถาวอนอต่อไปส่งกันบ้างก็ขยันขึ้นนะคะหลวงพ่ อ, อดีจริง ขยันเคลื่อนถูกอต่อไปอนุโมทนาไม่มีใครสง่งดีจังของโยมเนี่ยถึงไม่ส่งก็บอกให้ภาวนาใช้ได้แล้วระวังอยู่อันเดียวอย่าเผลอไปประคองจิตให้นิง่งมีเป็นระยะระยะนะปล่อยให้จิตมันเคลื่อน ่กแกล้งทําจิตให้เคลิมแบบตอนนี้จิตมันหลงไปเนี่ยหายใจแล้วรู้สึกจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมก็รู้ทันไปรู้ไว้นะจิตมันละเอียดแล้วของโยมพูโทโธใจมันฟุ้งเก่งยังพูโทโธไปนี่นักเพ่งยังเพ่งอยู่นะรู้ตัวหรือเปล่า เออรู้แล้วก็ดีแล้วมันเพยงเพราะโลภอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีก็เพ่งให้รู้ทันใจใจอยากขึ้นมาอยากปฏิบัติจะรู้แล้วรู้เข้าไปเลยมันจะได้ไม่เพ่งนี่โทษฐานไม่ส่งกันบ้านถามเองเลยเอาต่อไปใครจาเป็น สกกาสรค่ะหลวงพ่อถูกบังคับมาป่าเปล่าค่ะ <c oughs> <c oughs> หนูฟังธรรมะจากยูทูบอะค่ะแล้วก็ลองปฏิบัติพยายามรู้สึกตัวแล้วก็นั่งสมาธิไป <c oughs> อะค่ะไม่รู้ว่าการเดินปัญญาที่หลวงพ่อพูดถึงอะ <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวหนูได้ทำหรือเปล่าแต่พยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้สึกเกิด <c oughs> ไ, ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติ พอรู้สึกตัวเป็นแล้วดูกายดูใจมันทํางานเห็นไหมร่างกายมันทํางานตลอดเวลามันหายใจออกมันหายใจเข้าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานได้เองหรือจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงตรงที่เราเห็นไตรลกนะักษณ์น่ะเรียกว่าเดินปัญญา ที่หนูปฏิบัตินี่ถือว่าเดินปัญญาหรือยังคะไม่แน่ใจอยู่ฟุ้งอยู่ อ, ยอ๋ อ, อถ้ารู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันจะเดินปัญญาด้วยตัวของมันเอง<น>ใช่ไหมคะหนูต้องในูองคอยสังเกตนะใจเราเนี่ยไม่คงที่รู้สึกไหมค่ะพยายามมองในมุมของไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆอย่างใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย นี่ดูเขาเปลี่ยนแปลงไปเลยมันถึงจะเดินปัญญานะถ้ารู้ตัวอยู่เฉยๆจะไม่เดินปัญญาหรอกทำไงก็ไม่เดินนะพาจิตมันไปสังเกตเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ถนัดดูกายหนูว่าจะถนัดดูจิตจะได้เราก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย ดูไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีแล้วชั่วก็ไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่ดีนะหนูสนใจตั้งแต่อายุขนาดนี้ดีแล้วล่ะ ว, ออวิธีแก้เรื่องฟุ้งซ่านต้องเพิ่มนั่งสมาธิให้มากขึ้นไหมคะไม่ใช่หนูทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ไม่จาเป็นต้องสงบนะ เช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปสบายใจพุทโธพุทโธแล้วพอใจเราหีไปคิดเรื่องอื่นไม่ยอมคิดพุทโธละไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ไวด์ๆหน่อยโว้หลงไปแล้วลืมพุทโธละเราก็กลับมาพุทโธต่อเราไม่บังคับจิตนะจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีช่วยยังไงก็ได้เราพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธเราก็รู้ทันจิตตัวเองไปพุทโธแล้วจิตเป็นสุขก็รู้ พุโทโธแล้วจิตเป็นทุกข์ก็รู้พุโทโธแล้วจิตสงบก็รู้พุโทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้มันจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเลยนะบางทีรู้ตัวตอนที่มันเกิดเวทนามาแล้วคะ่ะ ร, รู้สึกว่าอยากอยากรู้สึกให้ไวกว่า น, นี้คะ่ะเออให้รู้ว่าอยาก <c oughs> แค่นั้นพอแล้ว <c oughs> ค่ะรู้สึกไปเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเองใช่ไหมใช่มจะเร็วขึ้นเองอย่างหลวงพ่อก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ว่า จิตถ้ามันทำอะไรนี่เห็นหมดอนะขยับขยื่นยังไงก็เห็นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยไปไหนนะจิตกราบนมัมศ ก, การหลวงพ่อนะครับ เ, เพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติเริ่มได้ดีแล้วนะเริ่มได้ถูกแล้วครับรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะแล้วสังเกตไปมันมีสิ่งที่ถูกรู้กับมีใจเป็นคนรู้ สองสิ่งนีมีอยู่ตลอดเวลาใจเราเป็นคนรู้แล้วก็มีความรู้สึกที่ใจไปรู้เขาความรู้สึกที่ใจไปรู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างมันไปรู้ความสุขไปรู้ความทุกข์ความสุขความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดมันไปรู้โลภโกรธหลงโลภโกรธหลงก็เปลี่ยนแป ล, ปลงให้ดูตลอดเวลาอย่างตอนนี้จิตหลงไปคิดทราบไหมเมื่อกี้นียมันไหลไปคิดปุ๊บไป มันครับยังไม่จบ<อ> <c oughs> สังเกตไหมจิตขนาดเนี้ยมันตึงขึ้นมาครับนะอย่างนี้เรียกว่าเพง่งนะเราเพ่งมันคือเราไปควบคุมมันไปบังคับไปแทรกแซงมันจิตไมันจะแน่นแ น, น, นจ่จิตที่แน่นๆไม่ดีนะไม่ดีจิตที่หลงไปก็ไม่ดีจิตที่แน่นๆก็ไม่ดีแต่สองตัวนี้อะไรดีกว่ากัน จิตที่แน่นยังดีกว่าจิตที่หลงเพราะจิตที่หลงเนี่ยไปอบายจิตที่แน่นๆน่ะไปสุขติได้แต่ไม่เป็นนิพพานะเกรดมันไม่เท่ากันนะเนีย่ยตอนนี้จิตหลงไปคิดทราบไหมครับหันอย่างนี้นะจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้รู้บ่อยๆอย่างเนี้นะยเดี๋ยวบังคับจิตให้นิ่งนะครับเริ่มบังคับอีกแล้วรู้ตัวไหม มันจะแน่นมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาปล่อยให้มันทำงานอย่างตอนนี้มันไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมอย่ากแกล้งทำใจอย่างนั้นอย่างนั้นจะเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิเคลิบเคลิ ม, ลมไม่ดีรู้ตัวไว้ทำไมหลวงพ่อสอนให้เยอะหน่อยเพราะเราพื้นฐานเราดีมีโอกาสที่จะภาวนาจเจริญรุ่รงเรืองไปได้งั้นไปตั้งใจ ปฏิบัติเขาครับบางคนหลงความ็สอนนิดนิดหน่อยหน่อตามชั้นตามภูมิสอนเยอะจะไม่ทำสอนน้อยน้อยบางคนถ้าสอนน้อยไปก็ไม่ทํานะมันตื้นไปแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเอาใจยากครับเข้ามานมัสการองหลวงพ่อค่ะหนู มาส่งกันบ้านหลวงพ่อให้หนูไปดูตามดูร่างกายอ่ะค่ะก็หนูก็กลับไปดูแล้วมันก็เกิดสภาวะขึ้นก็คือว่าเออหนูหนูกลับบ้านไปหนูก็เล่นกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่หนูเล่นกับแฟนมือหนูก็ลูกแล้วหนูก็ตกใจว่ามือหนูอ่ะ ม, มันไม่ใช่มือหนูแล้วความออรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาคือว่าไอ้ที่มันขำอ่ะมันก็ไม่ใช่หนูใช่นั่นแหละขันมันแยกแล้วเสร็จ เสร็จแล้วพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บความอะไรอาวรที่เราเคยตลกกับเพื่อนเราเมื่อสมัยเด็กจนถึงปัจจุบันน่ะมันก็ไม่ใช่สิวะก็คือถามตัวเองไงแล้วต่อไปนี้ที่เราจะสนุกที่เราจะตลกที่เราจะอร่อยอมันไม่มีหนิมไม่มีหรอกโลกนี้จุดชื่นโลกนี้อริอร่อยสําหรับคนหลงผู้มีสติมีปัญญาไม่หลงกับโลก พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอชูนดูโลกอันวิจิตงดงามดุจราชรทรงของพระราชาที่คนเขาพากันหมกอยู่แต่ผู้รู้ไม่คล้องเกี่ยวเราก็เลื่อนเอาได้นะี่เป็นคนเขาเราก็หมกต่อไปหรือเราอยากเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ถอยออกมาเป็นคนรู้คนดูแล้วเราจะรู้ว่าโลกนิหาสาระไม่ได้ มันมีสาระสำหรับคนหลงเท่านั้นแหละยังรู้สึกไหมใจมันสลดตอนนี้มันรู้สึกดีใจอ่ะอที่ตัวนี้มันเป็นอาการของจิตอันหนึ่งน ะ, ะจิตมันสลดใจนะมันสลดสังเวชสังเกตไปเรื่อยๆแล้วแล้วหนูก็ปฏิบัติออในรูปแบบแต่ตอนนี้หนูหลง ตอนที่หนูเล่าเรื่องปฏิบัติในรูปแบบนะหนูหลงละวเห็นไหมใจเร า, ลลาลรหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วรู้ไหมเพิ่งจะรู้ที่หลวงพ่อบอกเออนั่นแหละที่หลวงพ่อบอกก็เพื่อจะให้รู้นั่นแหละแล้วต่อไปมันหลงอย่างนี้จะได้รู้ทันไม่หลงนานหลงที่มากที่สุดก็คือหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วเรารู้ทันได้นะ ใจเราก็ตื่นขึ้นมาเลยแล้วไงอีกอ่ะก็คือหนูก็สวดมน์แล้วทีนี้หนูหนูเป็นคนที่หนูก็สังเกตใจมันดูอะค่ะมันในขณะที่สวดมน์น่ะมันชอบคิดนู่นคิดนี่อะค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าหลายตัวที่สวดมน์น่ะมันคือใครหนูก็เลยไปดูตัวที่สวดมน์แต่ในขณะที่สวดมน์น่ะหนูก็เห็นมันคิดด้วยอะค่ะคืออย่างนี้ถือว่าเป็นการ ทำสมาธิด้วยป่ ะ, ะที่ถูกต้องอย่าไปดินรนเยอะเกินไปะนะดิน้นรนคนกวามากไปสวดมนต์ไปแล้วเห็นว่าใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแค่นี้พอแล้วอันนั้นคนกวามากไปมันจะฟุ้งซ่าน ค, ค่อยๆเรียนไปเดือ ว, วันหลังก็เข้าใจเองล่ะ จากนามสกันหลวงพ่อคะ่ะหนูมาส่งการบ้านครั้งแรกนะคะดีใจไหมข้าดีใจมากคะ่ะคือก่อนก่อนหน้านี้หนูติดอยู่ใน ส, สมถะค่ะคือหนูคิดว่าเป็นความสุขจากความสงบหนูทําไปสักพักหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันมันมันเหมือนทื่อๆมันไม่มีทางไปมันตันนะคะหนูถามคนผู้ ผู้รู้หลายๆท่านเขาบอกว่าเออให้ทําต่อไปแต่หนูคิดว่ามันยังไม่เกิดปัญป ญ, ญาเหมือนขาดอะไรสักอย่างะคะ่ะแต่พอหนูมาดูซีดีหลวงพ่ออเหมือนหนูเห็นทางทางเดินนะคะหนูรู้สึกว่าต้องกรบกรบขอเข้มานะคะหนูรู้สึกว่าหลวงพ่อเป็นอาจารย์เฉพาะทางเกี่ยวกับทางด้านวิปัสนาโอ้ยอาจารย์เฉพาะทางเลยจ ร, จริงๆอ่ะคือหนูตามหนูตามหามานานแล้วว่าก็คือ คือบุคคลที่สอนสิ่งที่คิดว่ายากอ่ะสอนใ ห, ให้ให้ให้ดูเหมือนง่ายแล้วคา้ว่าสามารถปฏิบัติได้คือหนูฟังหลวงพ่อครั้งแรกนี่คือหนูยอมรับเลยว่าถ้าไม่ฟังต่อไปคงไม่ได้อะค่ะคือต้องเปิดฟังหนูรู้สึกว่าปัญญาเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆหนูก็หนูฟังแล้วหนูก็ดูของจริงนะใช่ค่ะ คือตอนนี้สมถาะาที่เคยทำอะ่ะหนูคิดว่าเอาเอาเอามาใช้เดินปัญญาต่อได้ใช่หนูก็เอาคําสอนของหลวงพ่ อ, อ <c oughs> มาใช้เดินปัญญาต่อโดยการ <c oughs> ที่แคด่ดูว่าจิตอะ่ะไหลละไหลไปขึ้น <c oughs> หนูหนูยอมรับ ว, ว่าหนูทําสมถธามาระยะหนึ่งแล้วหนูมีกําลังมากขึ้น <c oughs> หนูรู้สึกว่าการที่จิตมันไหลไปเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนขึ้น <c oughs> ใช่แล้วแล้วเวลาเหมือนกิเลสที่เรา เราไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสอะ่ะพอเรารู้เราเห็นบ่อยๆ อ, ยอะ่ะเราจะเห็นว่ามันแรงเราเห็นว่ามันใกล้ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เราจมกับกิเลสแล้วเราเราไม่เคยรู้เลยเพราะเราไม่เคยเดินออกมาเป็นผู้ผู้ดูเราแสดงร่วมกับมันมาตลอดเลยอ่ะคะ่ะจนหนูก็เลยมาพ้นพบความจริงว่าความความจริงก็คือ <c oughs> กายกายนี้ใจเนี้ยมันกลับไม่จริงเลย สิ่งที่เราไปจมอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันกิลเราถูกกิเลสหลอกมาทั้งชีวิตเลยอะค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูเห็นหนูเห็นผิดมาโดยตลอดคิดว่าบุคคลรอบข้างเราแกล้งเรา ล, ล, ลังแกเราคิดว่าเราเป็นคนดีแต่พอมาดูจิตอย่างเงี้ยโอ้โหกิเลสมาเต็มเต็มเลยจริงจแล้วเราเราน่แหละทำร้ายตัวเราเอง <laughs> คือหลวงพ่อละเนี่ยหนูจะคุยเพลินไหมก็เลยเออยากเล่าให้หลวงพ่อฟังอะค่ะอันนี้คือหนูเดินถูกทางหรือยังคะหลวงพ่อหนูเดินถูกแล้วนะแต่ไม่ต้องค้นกว้าอะไรมากนะดูไปสบายๆมีอะไรปรากฏในปัจจุบันก็รู้ไปแล้วทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมสอนธรรมะลหมุนสอนไตรลักษณ์ไปทาอีกไปขอบระคุณค่ะ นรมัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อค่ะกลับไปทําการบ้านนะคะเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะดีถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาค่ะท้าพรครูบาอาจารย์นะคะดีะจิตมีกําลังมากขึ้นนะคะถูกอ่าคราวนี้สมาธิก็ตามมาด้วยใช่ไหมคะมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านเข้ามาค่ะแล้วก็บางทีก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเออนี่นยแหละ แล้วตอนนี้ก็ถ้าทันตลอดนะคือนั่งเพลงค่ะนั่งจองอดีตก็ไปรู้ว่าตัวเองอ่ะเพ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ดีดีขึ้นแล้วแล้วค่ะรู้สึกไหมชีวพจิตใจเราเปลี่ยนรู้สึกค่ะความรู้สึกเนื้อทมันเปลี่ยนหมดอ่ะค่ะมันห่างโลกธรรมะมันอัศจรรย์จริงๆค่ะคําว่าโลกุตละนี่ว่าอยู่เหนือโลกแค่เราเริ่มต้นรู้สึกไหมใจเราห่างโลกออกไปแล้วค่ะ แล้วก็ตั้งใจที่จะอยากจะพ้นโลกด้วยอะค่ะเงออย่างนั้นดีค่ะแล้วก็จะปฏิบัติไม่เลิกอะคะ่ะดีไปทําอีกไปค่ะกับนวมัสการหลวงพ่อครับผมก็ได้มาฝึกกับหลวงพ่อมานแล้วครับก็ฝึกตอนนั้นก็พอแยกกายแยกใจได้ คือตอนนี้เที่ยวที่ผมฝึกกับหลวงพ่อในระดับหนึ่งก็ไปฝึกน้อมแผ่เมตตาประกอบกับการดูจิตเมื่อพิจารณาจากคำสอนของหลวงพ่อผมก็คิดว่ามันวางจิตอยู่ได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าจิตขณะนี้มันไม่มีน้ำหนักน้ำหนักไม่มีมันโปร่งโล่งเบาสบายแต่ตอนนี้มีแล้วครับร <laughs> <laughs> ู้สึกไหม ต, ตอนนี้มันมีน้ำหนักขึ้นอาจารย์เวลามองจากสภาพโลกภายนอกก็ ก็เห็นเป็นธรรมดาธรรมชาตินะ<ม>ครัอย่างนั้นแหละถูแล้วก็เวลากิเลสต่างๆที่เคยเข้ามาก็ตอนนี้ก็ก็คิดว่ามันต้องเป็นกิเลสระดับอนุสัยละเอียดนะครับถึงจะเข้ามาแต่ก็รู้ทันครับหลวงพ่อก็ช่วยตรวจดูหน่อยครับอย่ารีบร้อนนะดูเพลิดเพลินก<ๆ>ิเลสเนี่ยเก่งมากฉลาดมันมกักจะฉลาดกว่าเราเสมอ บาทีเราคึดว่าเรารู้ทันแล้วที่แท้โดนมันหลอกก็ได้นะงั้นเราค่อยๆดูค่อยๆสังเกตใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้ไปถ้าเรารีบร้อนเราจะโดนกิเลสหลอกเราจะรู้สึกว่าไม่มีกิเลสแล้วที่จริงมีอยู่แต่มันมองไม่เห็นนะใจเย็นๆค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปมาได้ดีแล้วละค่อยๆเดินไปบสาธุครับอยู่ทางน้นนั่งเก้าอี้ นมรสาการหลวงพ่อค่ะคือหนูไม่ได้ส่งกันว่านหลวงพ่อมาหลายปีแล้วอะค่ะแบบจะขอคําแนะนําค่ะเล้วแล้วหนูไปทําอะไรมาหนูก็ปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ว่าสติเกิดบ่อยไหมก็เป็นแล้วแต่ค่ะมันเหมือนขึ้นขึ้ น, นลงลงถูกค่ะมันต้องปฏิบัติแล้วมันต้องขึ้นขึ้ น, นลงลงขึ้นอย่างเดียวแสดงว่าทําผิดแล้ว สังเกตไหมในโลกนี้มีแต่ของชั่วคราวเห็นตรงนี้ไหมก็หนูว่าหนูเริ่มเห็นค่ะนั่นแหละะหนูดูตรงนี้ไปเรื่อยๆในโลกนี้มีแต่ของชั่วคราวในร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีรู้สึกชัว่วก็เป็นของชั่วคราวจิตใจเราที่เป็นผู้รู้รก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้คิด ผู้คิดก็อยู่ชั่วคราวกลายเป็นผู้รู้อะไรเงี้ยหนูไปดูนะทุกสิ่ทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่เป็นของโชั่วคราวทั้งหมดเลยไปดูตัวนี้ให้เยอะๆขอขอค่ะคุณค่ะเขาขอคำแนะนำหลวงพ่อค่ะ<ส>เส<อ>ียน้นหน่อยเหรอเขาภานาเป็นไงมั่งเล่าให้ฟังมั่งสิ <laughs> ออใช้พุทธโธค่ะเขาบอกว่าเวลาเขาใช้พุทธโธแล้วก็ เ, เขาพยายามจะทำให้มันกว้างๆแล้วก็เว้น เ, เมื่อจิตเนี่ยไหลไปเขาก็เห็นได้พุทธโธไปนะถูกแล้วนะจิตไหลไปก็เห็นก็ถูกแล้วแต่ไม่ต้องจงใจทำจิตให้กว้างๆ อันนั้นเป็นการเพิ่มภาระให้จิตจิตมันจะกว้างก็รู้จิตมันจะแคบก็รู้รู้ว่าอย่างที่มันเป็นถ้าเราจงใจทําจิตให้กว้างเดี๋ยวไปติดสมาธิหลวงพ่อไปติดสมาธิอย่างนี้นจิตนั่กว้างแล้วก็มีแต่ความสุขอยู่เป็นปีเลยนั้นเราระมัดระวังอย่าทำใจกว้างๆถ้ามันกว้างเองไม่เป็นไรนะอย่าจงใจทํา พุทโธไปแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เอาเท่านี้แหละแล้วจิตมันจะกว้างแล้วจิตมันจะแคบเราก็รู้อย่างที่มันเป็นเราจะดูไปเจนเห็นความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองเดี๋ยวมันก็สุกได้เองมันทูกได้เองมันมีกิเลสได้เองมันแคบมันกว้างของมันดูมันทํางานตามธรรมชาติะอย่าเจตนา ทำใจกว้างๆเดี๋ยวติดสมาธิขอคำแนะนำเหมือนกันค่ะคนี้ค่ะให้เขาบันไดหน่อยคนอื่นเขาจะได้ฟังด้วย เ, เ, เขาปฏิบัติมาสองปีแล้ว เ, เขาใช้ร่างกายาความเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมแล้วก็เขาสามารถอยู่กับวิหารธรรมได้ เขาบอกว่าแม้เวลาที่เขาไม่มีความสุขอะค่ะเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เขาสึกว่าจิตใจเขาเนี่ยมีมีความฉะทะที่จะที่จะปฏิบัติได้ค่ะเวลารู้สึกร่างกายนะเรามีใจเป็นคนรู้สึกเราเห็นว่าร่างกายมันของถูกรู้ถูกดูน่างกายเนี้ยมันถูกรู้ถูกดู แต่เราอย่าดึงตัวผู้รู้ให้มันเด่นขึ้นมาอย่าเจตนานะเมื่อ้มันจะกลายเป็นการเพ่งร่างกายมันใจมันจะแข็งแข็งทื่อๆไปนิดหนึ่งเราปล่อยให้จิตใจนี้เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปอย่างสบายๆมันยังมีความจงใจที่จะดูอยู่ ตัวที่เป็นความจงใจที่จะดูเนี่ยเป็นตัวโลภนะเราโลภเราอยากดูอยากปฏิบัติให้รู้ว่าเราจงใจที่จะดูส่วนการที่จะใช้กายเป็นวิหารธรรมน ะ, นะใช้ได้ที่ทําอยู่ถูกแล้วล่ะเพียงแต่จิตเนี่ยมันนิ่งนิ่งไปนิดหนึ่งอย่าให้จิตมันนิ่งเหมือนตอนนี้นะให้จิตมันเป็นธรรมชาติจริงๆ จ, งจิตตอนนี้นิ่งไปนิดหนึ่ง รู้สึกไหมจิตมันนิ่งๆอยู่ขณะนี้เนี่ยเราเราไม่ไปจงใจให้จิตเป็นแบบนี้ให้จิตเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้ไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้ได้จิตใจของคนปกติแล้วเราจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตใจร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตใจเองก็เป็นของไม่คงที่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เราก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจเนะี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนเหมือนกันอ่าตอนนี้จิตลงไปคิดแล้วจิตลงไปคิดรู้ว่าจิตลงไปคิดไม่งั้นเวลาเราดูกายนะบางทีจิตลงเขาไปอยู่ที่กายแล้วเราไม่เห็นว่าจิตมันเคลื่อนเข้าไปอยู่ในกายถ้าแบบนั้นไม่ดีมันจะเป็นการเพ่งร่างกายเราไม่เพ่งร่างกายเราไม่เพ่งจิต เรารู้กายอย่างที่กายเป็นเราจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราจะดูไปจนถึงวันหนึง่งจิตมันเข้าใจร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ก็ขันห้ามันทุกข์ไม่มีเราทุกข์ความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ที่เป็นทุกข์คือตัวเราเนี่ยไม่มีค่อยๆดูไป ตรงไหนก็ไม่มีเราทั้งนั้นนะส่วนฝรั่งคนแรกนะที่ไม่ว่าชอบทําใจให้กว้างๆนะเขายังติดสมาธิอยู่นิดหน่อยนะนะอย่าไปทําอย่างนั้นถ้าถ้าอย่างนั้นใจมันจะสว่างนิ่งว่างๆอยู่เฉยๆนะอย่าอย่าน้อมใจให้มันออกไปว่างๆหลวงพ่อเคยเป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยภาวนาแล้วจิตเป็นแบบที่โยมคนนี้เป็นนะ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 ดูไม่ถึงจิตก็คือจิตมันหลงไปอยู่ข้างนอกเราไปดูสบายๆยอยู่ข้างนอกนะให้มันน้อมกลับเข้ามา ะ, ะท่านบอกให้บริกรรมไป น, นี่หลวงพ่อไม่ถนัดบริกรรมของพ่อใช้อนาปานสติเราก็แค่รู้ว่าจิตไปลงอยู่ข้างนอกแล้วเราก็หายใจไปสบายๆเดี๋ยวจิตมันเข้ามาเองหรือเรารู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกเราพุโทโธไปสบายๆเดี๋ยวจิตมันก็เข้ามาเองเราไม่ต้องจงใจดึงมันเข้ามา พอจิตมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเดินปัญญาต่อได้เราจะเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยแล้วสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับนั้นก็เป็นแต่ตัวทุกข์ทั้งหมดเลยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาจิตที่ว่างไม่ได้ภาวนาเอาจิตที่สบายไม่ได้ภาวนาเอาจิตที่มีความสุขไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาจิตที่สงบ แต่เราพานาเพื่อให้เห็นความจริงแล้วเอาความจริงเท่านั้นนหะความจริงก็คือทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเราต้องการเห็นตรงนี้เพรนั้นถ้าเราใจเราโล่งใจเราว่างแต่เราไม่เห็นว่าทุกอย่างนี่แปรเปลี่ยนอยูนะ่ก็เรียกว่าเราอย่างทำไม่ ไ, มได้ดีเท่าไหร่บางทีเราเห็นว่าร่างกายนียเยน่เปลี่ยนแปลง แต่ใจเรามันนิ่งมันสงบมันนิ่งมันว่างมันเฉยเยคงที่อยู่นานๆอันนี้ยเราจะไม่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงเพราะปล่อยให้จิตมันทางานไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคิดถ้าอย่างนี้นะเราจะเห็นความจริงได้เร็วว่าทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งหมดทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรา เนอย่าไปฝึกให้จิตนิ่งว่างๆใช้จิตธรรมดานะเอาละพอสมควรแก่เวลา น, ะนิมนต์ท่านอาจารย์มาไหว้พระกัน